แต่ไม่ได้เป็นเหตุของเมืองเชียงใหม่เช่นเดียวกับมักและการปฏิบัติตามมักเป็นเหตุแห่งการบรรลุนิพพานแต่ไม่ใช่เป็นเหตุของนิพพานพรุทธพจน์ต่อไปนี้เป็นเครื่องแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าการบรรลุนิพพานและทำชั้นสูงอื่นๆเป็นสิ่งมีอยู่และเป็นไปได้จริงในเมื่อทำดวงตาคือปัญญาให้เกิดขึ้น ดังพุทธพท์ในสุปสูตรมัชิมนิกายมัชิมะปัญนาทที่ตรัตโตมติของพรามคนหนึ่งผู้เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะรู้จะเห็นญานณทัศนวิเศษยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์มีความดังนี้นี่เนะ่มานพเปรียบเหมือนคนตาบอดแต่กำเนิดเขาไม่เห็นรูปดำรูปขาวรูปเขียวรูปเหลือง รูปแดงรูปสีชมพูรูปที่เรียบและไม่เรียบไม่เห็นหมู่ดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ถ้าเขากล่าวว่ารูปดำรูปขาวไม่มีคนเห็นรูปดำรูปขาวก็ไม่มีรูปเขียวไม่มีคนเห็นรูปเขียวก็ไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่มีคนเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ไม่มีข้าไม่รู้ ข้าไม่เห็นสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นนั้นย่อมไม่มีเมื่อเขากล่าวดังนี้จะชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือมานกมานกทูลตอบว่าไม่ถูกต้องพระองค์จึงตรัสต่อไปว่าข้อนี้ก็เช่นกันพราหมณ์ปกราสาติโอปมัญญโคดผู้เป็นใหญ่ในสุภควันเป็นคนมืดบอดไม่มีจักษุ การที่เขาจะรู้เห็นหรือบรรลุญาณทัศนวิเศษอันสามารถอันประเสริฐเหนือกว่ามนุษยธรรมจึงเป็นไปไม่ได้แม้จะได้สดับข้อความแสดงภาวะนิพพานกันมาถึงเพียงนี้แด้แม้ว่าจะได้คิดตีความหรือนำมาถกเถียงหาเหตุผลกันเพื่อหาความเข้าใจว่านิพพานเป็นอย่างไรแต่ตราบใดที่ยังไม่ได้ปฏิบัติจนเข้าถึง และรู้เห็นประจักษ์แจ้งด้วยตนเองก็พึงเตือนสติกันไว้ว่าภาพความเข้าใจเกี่ยวกับนิพานของผู้ศึกษาทุกคนก็คงมีลักษณะอาการอันเทียบได้กับภาพช้างในความคิดความเข้าใจของพวกคนตาบอดกล้ำช้างดังความย่อในบาลีคือเกีรสุรที่หนึ่งขุตการนิกายอุทานต่อไปนี้สมัยหนึ่งในนครสาวัตถี สมณะพรามปริภาชกจำนวนมากมายต่างลัทธิต่างทฤษฎีต่างก็ยึดถือลัทธิทฤษฎีของตนว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเท็จทั้งนั้นแล้วเกิดทะเลาะวิวาทใช้หอคือปากทิ้มแทนกันว่าทำเป็นอย่างนี้ทำไม่ใช่อย่างนี้ทำไม่ใช่อย่างนี้ทำเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนำความมากราบทูลแด่พระพุทธเจ้า พระองค์จึงตรัสเล่าว่าเรื่องเคยมีมาแล้วราชาพระองค์หนึ่งในนครสาวัตถีได้ตรัสสั่งรา ช, ชบุรุษให้เป็นนาเอาคนตาบอดแต่กําเนิดทั้งหมดเท่าที่มีในเมืองสาวัตถีมาประชุมกันครั้นแล้วโปรโดให้นําช้างตัวหนึ่งไม้คนตาบอดเหล่านั้นทําความรู้จักราชบุรุษแสดงศีรษะช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่ง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 คราวนั้นคนตาบอดที่ได้คลำสีสะช้างก็ว่าช้างเหมือนหม้อคนที่ได้คลำหูช้างก็ว่าช้างเหมือนกระด้งคนที่ได้คลำหงาช้างก็ว่าช้างเหมือนผานคนที่ได้คลำงวงช้างก็ว่าช้างเหมือนงอนไถคนที่ได้คลำตัวช้างก็ว่าช้างเหมือนยุ่งข้าวคนที่ได้คลำเท้าช้างก็ว่าช้างเหมือนเสา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 ท้ายสุดพระพุทธเจ้าได้ทรงแปลงอุทานเป็นคาถาความว่านี่ละหนอสมณะและพระบังพวกย่อมมัวติดข้องกันอยู่ในสิ่งที่เป็นทิฏฐิทฤษฎีเหล่านี้คนทั้งหลายผู้เห็นเพียงส่วนหนึ่งหนึ่งพากันถือต่างถือแย้งจึงทะเลาะวิวาทกัน